ถ้าไม่ฝึกน้มันเป็นไปได้ยากเพราะเราเนื่องจากเราหนักมานานคือเราตรงตรงซ้ายตรงขวามานา น, นาแล้วตึงก็เคร่งจนเครียดถ้าย่อนก็ย่อนจนยานแต่ว่าพอดีเบาสบายนีย่เรามักไม่เคยฝึกกันห้อยไปตรงมันง่ายกว่าเอยียงซ้ายเอยียงขวาเลยแต่จะเลื่อนมาตรงกลางเนี่ยมันจะต้องฝึก <c oughs> อพ น, นั้นเองในช่วงเช้าเนี่ย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 หยความคิดออกจากใจไหมไหมทีนี้บางทีมันม่นมาในรูปของความคิดมันมาในรูปของความง่วงอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรนมันไม่ใช่วัตถุแล้วถึงง่วงเนี่ยมันเป็นอะไรหรือเป็นน้ำเนละใส่เข้าไปอย่งี้แล้วไม่ใช่วัตถุธรรมดาอูหูมันกดคอเราลงเนะ่ยงุง้มกำมือเง่าเลยนอกจากยกไม่ขึ้นแล้วมันยังกดตัวเราอีงนะอันนี้ดูออกยากหน่อยใช่ไหม ยยากนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของจิตนะท่านแบ่งว่าถึงแต่หลักๆท่านท่านแบ่งไว้กลุ่มอารมณ์มันมีอยู่สามหนึ่งจิตที่มีกุศลจิตที่มีอกุศลจิตที่เฉยๆอยู่รูอซื่อๆหรือเฉยๆถ้าจิตซื่อๆอหมายความว่าเรารู้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 ความสบายไม่สบายมีตัวนี้รู้ในรูปในนามรู้แต่ว่าไม่สามารถที่จะไปเห็นตัวรูปตัวนามที่ที่ชัดเจนพอะตัวรู้ที่เรายกหรือสั่งสมจากการเดินจงกลมเนี่ยไม่พอนะไม่พอนะอันนั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องหาสาเหตุเหมือนว่าเพราะเหตุไรตัวรู้ของเราจึงจึงไม่ชัดทําไมตัวรู้ของเรามันจึงมาช้าทําไมตัวรู้ของเรามันจึง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 ผมไม่รู้ขอรับเหมือนกันผมไม่รู้เพราะความไม่รู้ตัวนี้นยต่อไปพวกเจ้าตะคุนเจ้ากระจานเกิดมาทุกพวกพุทธชาติจะต้องเอาไส้เนี่ยไปให้กับดูอ๊อทให้หมดในฐานะพราแกเป็นต้นเหตุให้เกิดชัก <laughs> เป็นต้นเหตุนะเป็นต้นเหตุเพราะร้องผิดกาลเวลาร้องไม่ตรงเวล า, ต, วา ต, ต้องวุ่นต้องร้องตีห้าหกโมงใช่ไหม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 ดังนั้นต้องรีบศึกษาตั้งแต่วันนี้เลยนะถ้าสมมุติทํำต้งนี้ไปถึงวันตายเนี่ยคุ้มไหมเมื่อวานมาได้ฟังเรื่องหนึ่งมาประทับใจมากอถามคุณหนุ่มเขาตั้งใจจริงปฏิบัติจริงอก็ถามที่ไปที่มาเจ้าเขาบอกเขาจ่างานแล้วอแล้วก็ยังแล้วมีลูกเนี่ยังมาใครดูแลลูกใครดูรายงานเอาผมยังไม่มีลูก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 วันหนึ่งพับตาขึ้นลงในพระกี่ครั้งเดีย๋ยว่าเป็นวันแค่ชั่วโมงก็ยากแล้วเออนี่เนี่ยเราก็ยังรู้ได้ไม่หมดเลยใช่ไหมวันหนึ่งหายใจเข้าแค่ออกอกี่ครั้งเนี่ยเอามาเคยคํานวณ น, นะว่าหายใจเข้าหายใจออกกี่วินับเป็นวิ ก, ก่อนนะเราจะนับหน่วยใหญ่ต้องนับหน่วยเล็กแค่เป็นเนี่ยก่อนหายใจเข้ามาคํานวณระวางหายใจเข้ากับหายใจออก อ, อันไหนยาวอันไหนสั้น